you <laughs> กการพระคุกกญญณเจ้านะแล้วก็สวัสดีเพื่อนทุกๆคนอันนี้จริงเนี่ยผมนี่ตั้งใจจะมาญี่ปุ่นต้องนานตั้งหลายปีตอนตั้งแต่คุณพ่ออยู่มีชีวิตแต่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่พร้อมก็ระยะหลังๆนี่ก็มีคุณฟ้าเนี่ยชวนชวนเอาไว้หลายปีมืกันเนาะแต่ก็ยังไม่พร้อมยัไม่พร้อมเลยะ ก็าเป็นเป้าหมายหนึ่งที่เป็นประเทศที่อยากจะมามาครั้งนี้ก็เลยถูอเป็นโอกาสดีขณะเตรียมตัวไว้ต้องนานหลายเดือนนะหลายเดือนแล้วนะหลายเดือนนะในระหว่างที่ที่เราจะมาที่นี่หมายถึงว่าวันที่เราจะมาใช่ไหมหลายเดือนเนียผมก็มีงานที่ที่ที่กรุงเทพเยอะแต่ก็มันรู้สึกก็ไม่ค่อยสําคัญเราพยายามมองข้ามมาจุดนี้เลยข้าม ข้ามาจุดมาที่ประเทศญี่ปุ่นเลยคือข้ามทะเลเลยมองข้ามงานทั้งหมดเราคือทะเลนี่เป็นงานาแต่เรามองข้ามาจุดนี้เป็นจุดสำคัญมากาก็เตรียมนะเตรียมร่างกายเตรียมศึกษาภูมิประเทศของโอกเคหรวะเนี่ยางทียี่สิบห้าใช่ไหยี่สิบห้าเดินทางมา <c oughs> วันทนีก็คิดถึงนั่นถห้าแต่ก็ได้มานะ <c oughs> ได้มาสมใจนิด เนี่ยจะสังเกตดูที่มาทํางานช่วงที่แล้ว25ถึงวันที่หนึ่งโอร่างกายสมบูรณ์มาทํางานได้เต็มที่เลยนะะแต่ก่อนจะมาเนี่ยก็มีทางประเทศจีนเขาติดต่อไวเขาติดต่อเราก็เลยคิดว่าอ่ะไหนๆเราจะมาที่นี้แล้วก็ต่อไปที่นู่นเลยแต่ต้องมาที่นี่ก่อนมาที่เนี่ยเป็นงานที่เบาต่อมาเบาสบายสำหรับผม มาทํางานนิดเดียวเที่ยวได้เยอะไปเมืองกีเนี่ยรืว่ไปที่ว่าเป็นงานที่หนักพอสมควรไม่ค่อยได้ไปไหนแล้วไปถึงก็อยู่วัดเลย อ, อยู่สิบวันแปดวันที่วัดแต่ที่วัดนั้นก็มีการปฏิบัติทำทํางานวันละสองครั้งผู้ธรรมะตอนเช้าตอบคาถามตอนบ่าย<อ>ก็ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ที่ว่าเราได้อนํานสิ่งที่คนฟัง สามารถนำเอาไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันก็ใ น, นเรื่องการปฏิบัติทนานจิตใจนะคนประมาณร้อยกว่าคนเข้าใจธรรมะไม่กี่คนแต่คนโดยมากเกิดความสุขเกิดปิติจากการฟังเพราะเขาฟังในสิ่งที่เขาไม่เคยได้ยินได้ฟังมากอ่อนบางคนเขาคิดได้จุดนี้เขาคิดได้แต่เขาไม่มั่นใจว่าสิ่งที่เขาคิดนั้นถูกต้องหรือเปล่า ใจิตใจที่มีปีติคือเปิดรับในสิ่งที่เราเสนอไปแล้วก็ความคิดที่เกิดความสงสัย<ม>เป็นบางอย่างก็เลยบอกว่าอย่าไปมัวปีติมีความสุขอย่าไปมัวคิด ม, มาทำนี่ลองมาทำตรงนี้ ม, มาฝึกเจริญสติ<ม><ม>เรื่องปีติมาเกิดที่ใจที่มีความสุขแล้วก็เรื่องของความสงสัยก็อยู่ที่ใจมั้เนี่ย ก็เลยเราบอกว่าลองทำดูลองฝึกสติลองทำดูลองทำดูการทำเป็นการพิสูจน์ตัวของเราเองไม่ต้องไปเชื่อใครก็บอกเขาบอกว่าเราได้ยินได้ฟังคำพูดสักร้อยคำสู้เราได้ทาตัวเราเองสู้ตัวเองหนึ่งครั้งไม่ได้ก็ย้ายเขาได้พิสูจน์ตัวเขาเองร้อยกว่าคนเนี่ยทำในสิ่งเดียวกัน จากคําถามที่มีมากๆต่อไประยะหลังๆเนี่ยคําถามมันน้อยลงน้อยลงเขาบอกเขาพอจะได้คําตอบและเกิดความมั่นใจบ้างและเขาบอกว่าการฝึกฝลผิดใจด้วยวิธีการฝึกจิตใจให้เข้มแข็งให้มีพลังอย่างนี้แหละทําให้เขาสามารถนําเอาไปเป็นที่พึ้นของตัวเองได้ก็เห็นเขาตั้งใจแล้วก็สนใจมากผมก็เลยทุ่มเทที่จะแนะนําที่จะ บอกเขาสอนเขาเจ็ดแปดวันเต็มๆอยู่กับเขาอย่างนั้นบางทีเราก็ลืมร่างกายของเราร่างกายเรามีข้อจํากัดเยอะ <c oughs> แยะเ้วก็คุยกับเขา <Okay. S 2> แนะนํำมาเขา <c oughs> โดยที่เราไม่รู้ว่าเราเป็นคนพิการ <c oughs> ตอนนี้ข้อจํากัดของเราเนี่ยมันก็เลยทําให้เร า, เ, าเกิดปัญหาในด้านหลังๆ <c oughs> แล้วก็บริยาากาศอากาศรอบเนื้อมันก็เป็นใจนะ okay. มันเป็นจาน ก, ก็คือมันไม่เคยมีเคยยุ่งนก็เลยมีพายุคนไม่ตกก็ตก <can> อากาศร้สบายก็หนาว <laughs> โอถนนก็เลยลเห็นว่าร้อนหนาวจ่าย ก, ก็เลยหายิสเตอร์หายเพราผมไฟฟ้าเนี่ยมามาช่วยเราลงไปข้างล่างาก็น้าท่วมเพราะหาให้แล้วเนี่ยเราสบายเลยนะแต่คนลําบากคือคนที่เขาต้องคอยช่วยเหลือเราในลําบาก <laughs> บางครั้งเราจะไปพูดธรรมะเนี่ยเราไม่ได้มาสบายแบบที่ปรุนหรอกมันมีสเต็ปมีชั้นต้องยกข้ามบางวันไปพูดธรรมะเนี่ยเขาต้องเอาใช้ผ้าใบถุงผ้าคลึงว้เป็นเป็นลังคาคุณเอ๋คุณทูทิงก็บอกว่าอาจารย์จะไปพูดได้หรือเนี่ยถึงเวลาแล้วหรอถ้าเขามารับผมได้ ผมก็จะไปความสะดวกสบายต่างๆเนี่ยมันต่างจากที่ญี่ปุ่นนะจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยแต่ผมก็ใช้วิธีการที่แบบไม่ไม่สนใจกับอุ ป, ปตตรไม่สนใจกับปัญห า, าต่างๆคือมองข้ามไปอ ม, มองข้ามไปเพื่อจะทําสิ่งนั้นสําเร็จอตอนนี้พยายามมองข้า ม, มถ้าเรามองแต่ปัญหามองแต่ปัญหาอันนั้นคือเป้าหมายของชีวิตอันนี้คือปัญหา ถ้ามองเฉพาะตรงนี้อย่างเดียวเนี่ยเราไม่ยอมมองทุรุนังเนี่ยมันก็ติดอยู่แค่ปัญหาเราจะทำอะไรไม่ได้เลยปัญหาบางอย่างเนี่ยถ้าเราพยายามมองข้ามไปดีมันก็ข้ามได้ปัญหาอย่างเช่นความไม่กล้าความกลัวความโกรธเนี่ยพอ ม, มองตรงปัญหาปั๊บเนี่ยมันจะข้ามอารมณ์เหล่านี้ไม่ได้หลายครั้งที่ผมพยายามมองข้ามปัญหาไปแล้วพมตัสิ้นน้นสาเร็จ ไม่รู้ว่าเราข้ามปัญหาตรงนี้ไปเนี่ยเราข้ามไปอาจจะเป็นข้ามที่ว่าเพราะความคิดเราต้องหาก<ม>ความกังลวลเราต้องหา<ม>แต่ถ้าเราตัดความกังวลซะจะไม่ให้กังวลเนี่ยเป็นไปไม่ได้แต่เราไม่ต้องสนใจนะ<ม>เลยทําสิ่งที่เราควรจะทํา<ม>ถ้าเราทําไม่ได้มันก็เสมอมมไม่ผิดอะไรแต่เราทําได้ขึ้นมาเนี่ย ม, มันมีกําลังใจ เราทําสิ่งใด จ, จะหนึ่งสักอย่างเดียวเนี่ยถ้าเรามองข้ามไปได้แล้วทําสําเร็จเนี่ยมันไม่จบอยู่แค่นั้นนะสิ่งที่มันสูงกว่า น, นั้นยากกันระบากกันนั้นมันก็มีมีโอกาสที่จะทําได้ก็คิดดูแต่บันไดขั้นแรกที่เราก้าวเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่ผมกนะ้าวบันไดขั้นแรกที่เราก้าวเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันจะเบา <c oughs> แต่มันก็ต้องก้าวขึ้นอะ่ะถ้าหากว่าเร า, เร า, ารเราก้าวขั้นแรกไปแล้วก็้าวไปเรื่อยๆเนี่ย เ น, นไอ้ขั้นพุ่งสูงเนี่ยถ้าเราไปไม่ถึงก็ยังไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเราไปถึงขึ้นมาเนี่ยมันสําเร็จเลยถ้าขั้นแรกไม่ลองฝึกไม่ลองฝืนฝืนที่จะทําแล้วก็ขั้นต่อไปมันไม่มีมันจบลงผมมองข้ามปัญหาแตา่ถ้าเมื่อทีลืมตัวเองว่าเราเป็นคนพิการ <c oughs> ต่อไม่ควรจะทำอย่างนั้นแต่ถ้ามันทํามันทําไม่ได้ก็ก็มันก็ถูกว่านิดหน่อย ตุกวนนิดหน่อยจากกันฮะไม่รู้ว่าหลายคนเขาบอกว่าเนี่ยไม่เตรียมตัวไม่เตรียมตัวอแต่พอเราทําได้เนี่ยมันรู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยธรรมดาทาให้เรามีการวางใจอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเรื่องแก้วเนี่ยผมไม่กล้าจับไม่กล้าจับแก้วเัาจะลองฝึกดูเคยครั้งแรกฝึกแล้วมันแตกถูกทุกแม่ว่า เราก็ไม่ทอนนะแอบแฝกฝึแอบแม่แม่แมรู้ <c oughs> จับแก้วดิ <c oughs> <c oughs> ว่าแบบไม่ให้เราทําอะไรเลยบอกกัเนี่ยแม่เสียหาย <c oughs> พังหมดแล้วเนี่ยว่าแบบเราเราไม่อยากจะทําอะไรต่อไปเลยโอเดี๋ยวนี้พัฒนานะเดี๋ยวนี้ซูเปอร์โ <c oughs> โอ้สบาย ม, มาก <c oughs> นั่นเวลาเราอ่าจะทําอะไรสําเร็จทุกอย่างเนี่ยอย่ามองแต่ปัญหายอย่างเดียว <c oughs> มองว่า ปัญหาคอนี้มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากเราไม่กล้าลองหรือไม่เป็นปัญหาจริงๆตั้งโดยดีออมาจากเมืองจีนมันก็ล่อแหลมมาถึงญี่ปุ่นแล้วก็มีงานอดิษฐานดีเราทำงานนี้นนึกในใจเราจะไหวไหม เ, ออเราจะไหวไหมไม่เป็นไรเราถ้าเราไม่ไหวเดี๋ยวก็มีคนช่วยเราเนี่ยอาจารย์มาลุนแลงขึ้นจะไม่ใช่เนี่ย ทางเข้าไปข้าต้ามเพย่อเดียวนะมันติดตัวคอมัยอมลงมันติดตรงคอน <S <S> ้าป้าก็เห็นนี่ยมันแน่น ช, <S <S> ช, ช, ชแล้วก็คือไปนอนพักก่อนจะมานี่ไปนอนพักคิดว่ามันมีอาการแน่นจุก <S <S> ก็เลยพอถึงเวลาก็ลงมันเลยดูซิมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างลงมาเลย <S <S> ไม่มีเลยใช่ลงมาทำงานเลยไม่ใช่จะไม่มีปัญหามี แต่มีเหมือนไม่มีมีที่ร่างกายแต่ไม่มีที่จิตใจหรอกเหลือใจตัวนี้ทำงานด้วยใจไอเรื่องร่างกายก็กระตุ้นใช้ไปเป็นวันๆตอนนี้ก็จะทำงานให้เรียบร้อยคนที่ไม่มีความมั่นใจตนเองเนี่ยไม่ได้อยู่กับสิ่งที่เราทำเราไปคิดว่าผลจะเป็นยังไงไม่ได้มองที่เหตุ พอไม่ได้มองเหตุปั๊กก็ดูที่ผลว่าเราจะทําได้ไหมเราคงทําไม่ได้หรอกแต่ยังไม่ได้เริ่มทําเลยอันนั้นอันนั้นคือตัวผลใช่ไหมผลนี่มันยังไม่เกิดขึ้นหรอกถ้าเราไม่สร้างเหตุขึ้นมาก็คิดวิตกวกังวลหลายๆอย่างหนูนี่ก็เรียนหนังสือใช่ไหยขณะที่เราเราเรียนหนังสือเนี่ยเราก็ตั้งใจเรียนที่หนังสือก่อนตั้งใจเรียนให้ดีนะ ฝังครูสอนเลคเชอร์อะไรให้เรียบร้อยทําตัวเหตุนี้ก่อนถ้าเราตั้งใจสร้างเหตุตั้งใจทําตั้งใจเรียนไม่เหลียวไหลแล้วก็เราทําตรงนี้ให้ดีเถอแล้วเรื่องของผลเนี่ยก็รอดูเราทําเหตุแล้วผลอยู่ที่เราทํอย่าที่เวลากําลังเรียนเนี่ยเรียนเพื่อจะไปให้เรียนจบแล้วก็ตามเนี่ยเราเรียนตั้งใจเรียนให้ดีตรงนี้แล้วเนี่ยมันได้ตรงนี้ไปก่อนแล้ะเราได้ทำในที่เราตั้งใจไว้เรียบร้อยแล้ว นั้นส่วนผลนั่นเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะปรากฏขึ้นเองผลมันเกิดขึ้นในขณะปัจจุบันนี้แหละไอ้ส่วนห่างไกลนั้นมันต้องมันไม่แน่<ม>แต่ตรงเนี้แน่แล้วละ่ะเราได้เรียบร้อยเมื่อเราแต่งตัวที่บ้านแต่งตัวหมุนอยู่หน้ากระจกวันดูเราเรียบร้อยแนละ้วมั่นใจเถอะ <laughs> วาแต่งตัวเรียบร้อยไปไหนก็ไปไนดะ้ <laughs> ให้รู้ตัวว่าปัจจุบันเนี่ยมันเป็นของจริงเป็นเรื่องจริงเป็นชีวิตจริงที่เราสัมผัสได้ ส่วนอนาคตนั้นผลจะเป็นไงนั้นเราใช้คองคิดตลอดเลยฮะลองทำทีนี้ดูสิ <Okay. S 1> ก็ทำที่เหตุให้มันถูกต้องซะมั่นใจตรงที่เราทาเหตุที่ถูกต้องเอาตรงนี้ก่อนวัยเนี้ยเป็นวัยที่มีความคิดเยอะอในหลายอย่างตอนนี้คนที่เราจะหาคนได้ได้จริงนก็คือคนรอบตัวเพื่อนบ้าง <S <S แม่บ้างและได้เห็นบ้าง ต้องมีประสบการณ์เล่นแบบนี้ต้องได้เห็นได้คุยได้สัมผัสกับคนที่ใกล้ตัวผู้ช า, <ฮ> า, ายก็จะเตรียมสองเหมือนกันเแต่ว่าก็าไม่มีความมั่นใจว่าคือผมจะเป็นยังไงเป็นกังวลเหมือนกันก็เจอตรงจากเรงานเ้ื่นี้อืมก็ธรรมดาหมอใหญต้องต้องตัดนะต้องรู้จึกว่าตัดต้องแยกให้ออกผลคือส่วนผลแต่เหตุนี้เราทำอะไร ก็มีม <watering>, ีคนก็ถามบ่อยเลยว่าเขาเกิดไปอย่างเงี้ยแล้วเขาตายไปเนี่ยเขาจะเกิดไปดีไหมเขาสงสัยอนาคตชาติหน้าแล้วก็บอกว่าแล้วคนทั่วไปก็สงสัยนะเนี่ยหลายคนสงสัยว่าก็บอกลองดูว่าปัจจุบันนี้เราทําอะไรล่ะเราทําความชั่วหรือทําความดีถ้าเราทําความชั่วเนี่ยมั่นใจเถอะว่าอนาคตนี้ไม่ดีแน่ ถ้าเราทําความดีอยู่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้วันนี้เราทําความดีอยู่แล้วทำแบบนี้เรื่อยๆเนี่ยเราทํางี้ไว้ก่อนในเรื่องข้างหน้าเนี่ยไม่ต้องห่วงอย่างบางคนนี่นะเขากลัวจะสอบแม่พานกลจะสอบตกปัจจุบันนี้เขาอ่านหนังสืออ่านหนังสือแต่ใจลอยเปิดห น, นังสืออ่านได้ทั้งเล่มทั้งวันนะแต่ใจมอยู่หนังสือเลยใจลอย เนี่ยอันนี้คือส่วนที่ทําเหตุไม่ถูกต้องหรืออ่านหนังสือแต่ไม่ได้อ่านหนังสือเรียนอ่านสือกระตูนอ่านมากอ่านเยอะอ่านแล้วจําได้สรุปนั้นแต่ไม่เกี่ยวกับหนังสือเรียนเลยอย่างงี้ผลออกมาก็ไม่ดีนะนผลผลมันต้องมาจากเหตุถ้าเหตุถูกต้องแล้วก็มากเพียงพอแล้วก็ผลนี่ไม่ต้องคํานึงถึงเลย <c oughs> มันถึงแน่นอน ในฐานะที่เป็นพ่อแม่ค่ะจะสามารถช่วยลูกตรงนี้ได้ยังไงบ้างอ๋ออย่าสําคัญคือเอาตัวที่ลูกก่อนลูกอย่าเกิดความอยากมากเกินไปความอยากหนึอยากจะต้องจบอยากต้องนี้แต่เราทาเหตุไม่เพียงพอเนี่ยไอ้ความอยากคนนี้ทําให้เกิดความกังวลความอยากได้ความอยากดีอยากทํำคนนี้แ่ละไอ้ความอยากนี่จะเกิดความกังวลมากเนี่ยสําหรับเด็กนะ เราแม้จะอยากเท่าไหร่ก็ตามกังวลเท่าไหร่ก็ตามแต่เราไม่ทําเหตุเนี่ยมันไม่มีทางหรอกอันนั้นคือความคิดนะโดยว่าพ่อแม่เนี่ยตัวสําคัญเลยบิดกดดันลูกกดดันกดดันอยากให้ลูกทำได้อ่าเนี่ยพ่อแม่ตัวสําคัญเลยทําให้ลูกต้องเสียพ่อแม่เป็นแบบอยากให้ลูกอยากให้ลูกทำได้ลูกก็เครียดกดดันลูกเลยสําคัญมากพ่อแม่ต้องเข้าใจลูกว่าลูกวัยนี้ วัยนี้เนี่ยเขาต้องการอะไรเขาทําอะไรได้ในวัยนี้ความสามารถของลูกเด็กมีเพียงแค่เนี้ยแต่พ่อแม่พยายามกดดันให้ได้มากกว่าเท่าคือวัยมันต่างกัน <m> อยากให้ลูกมีความคิดเหมือนพ่อเหมือนแม่นมันเป็นไปไม่ได้เด็กก็ต้องคิดแบบเด็กๆแต่เราใช้วิธีการบอกว่าลูกอย่าไปดูเลยอย่าไปเล่นเกมอย่างนี้เลยเลยลูกเอาสืออย่างเดียว ถ้าเป็นความคิดของพ่อแม่ไอ้ลูกก็อยากจะเล่นเกมเพราะลูกไม่ได้คิดเหมือนพ่อแม่เนี่ไม่ได้คิดเหมือนพ่อแม่อยากจะเล่นเกมอยากสนุกบ้างตามวัยของเขาเขบอกโอลูกเล่นเกมไม่เป็นไรหรอกพ่อแม่แนะนํานะไม่เป็นไรหรอกเอาสักเวลานี้พอนะเวลานี้หนูก็ดูหนังสือพ่อแม่ไม่มีสิทธิ์ไป บ, บังคับแบบนั้นต้องแค่รกขับปากพองการเล่นเด็กก็ชอบเล่น แต่การทําสิ่งที่มีสาระผู้ใหญ่อยากให้ทําให้เด็กทําสิ่งที่มีสาระ <c oughs> ต้องทำอย่างอย่างเด็กทั้งหมดเลยเล่นตลอดทั้งวันมันก็ไรสาระ <c oughs> หรือถ้าใแบบผู้ใหญ่ทั้งวันรู้สื่อทั้งวันเด็กก็เครียดแล้วก็ทะเลาะกันก็เลยบอกว่ามันต้องมันต้องเดินมาคนละครึ่งทางอเล่นก็คือเล่นส่วนหนึ่งพ่อแม่ก็กส่วนหนึ่ง <c oughs> คนละครึ่งทางปล่อยให้เป็นแบบเด็กเลยมันก็ไม่ถูกต้อง หรือทำอย่างผู้ใหญ่อย่างเดียวเลยบังคับก็ไม่ถูกต้องให้เราจะทํำยังไงยกตัวอย่างลูกไก่ลูกไก่ตัวเล็กๆอย่างเนี้ยเราจะจับลูกไก่อย่างไงที่ลูกไก่จะไม่ช้ำจะไม่ตายเอาเอามือเนี่ยเนี่ยวางเงี้ยลูกไก่ลูกไก่เอาวางเนี่ยเราจะจับลูกไก่อย่างไงให้ลูกไก่ไม่เจ็บตัวแล้วก็ไม่หลุดลงไป ถ้าจับแน่นก็บีบไม่ถึงบีบบังคับตายถ้าจับเบาลูกไก่ก็หล่นเอีจยกประคับนี่คือตัวอย่างการเลี้ยงลูกลูกไก่เหมือนลูกแต่ไปบีบบังคับเด็กก็เครียดเดอกก็หนีจากบ้านไปหรือถ้าปล่อยไปมันก็เสียคนอีกอ่ะต้องอยู่ในสายตาสายตาแต่ผมก็มีลูกผมคนหนึงอะรักมากเลยโอ้ดูแลเขาไว้ไง อย่าไปโกรธเขานะอย่าไปรักเขานะอย่าไปหลงเขานะ<ม>ปกติกเขาไหว้ลูกของผมสอนทุกวันใจเรา ล, ลูกเราถ้าควบคุมใจเราได้เราก็ควบคุมลูกไนดะ้บางทีใจเราอยากให้ลูกมันได้มากๆเ <c oughs> นี่ยเห็น ไ, ไหมใจเราเริ่มดิดนแะล้ว <c oughs> จะบังคับอื่นกนะันแล้วลำบาก <c oughs> ใจเราเลยจะบังคับไม่ได้เลยเพราะฉนั้น <c oughs> จะบังคับใจอื่นต้องมีวิธีการให้ถูกต้อง แนะนำสิ่งที่ดีๆกับเขาแล้วก็อย่าไปคิดร้อยเปอร์เซนว่าเขาต้องเชื่อเราเสมอเหมือนกับว่ า, า<ม>คือเขาใยายามที่จะลองปฏิบัติดูนะคะแ ล, ะและ้วเสร็จแ ล, แ ล, แล้วเขาก็ต้องทํางานด้วยค่ะแล้วเสร็จแล้วตอนช่วงแรกค่ะเขาก็นี่คือเวลทาทำงานอันนี้คือเวลาที่จะปฏิบัติดูเย็นกันเ<ง>ขาไปเลีย้ยง ตอนแรกมันก็เหมือนจะประสบความสาเร็จดีเนี่ยค่ะแต่พอต่อต้าปัจจุบันเนี่ยคหมือกับว่ามันมันเป็นการแบ่ง่ะ<ม>เหมือนเขาแบบนี้ ง, งานนี้ก็อยู่ช่วงปฏิบัติแล้วมันจะมีช่ ว, ว่าตรงนี้ยอยู่เกิดขึ้นคือเขาก็ไม่แน่ใจว่ามันมันเป็นยังไงมันจะลดไหมสิ่งที่เขาทำเนี่ยก็เห็นเห็นความคิดใช่ไหมะแล้วก็ก็นี่เรียกว่าลาเบรลิ่งก็มองเห็นว่าอันนี้เป็นความคิดที่ไม่จริง คิดเอดคิดเองคิดเองแต่ว่าเออคืนมาแวก็นี่เป็นไม่ใช่มาอยากเทวะเห็นแต่หงสูโจินตรจินตการพี่จิตกะเห็นแล้วกเห็นความคิดแล้วจินตลกาีจินตาการจินตาการคดนี้ก็รู้สบนัเกียความคี่นัเกียรคิดเลยอันนี้น่าจะไม่ไม่เป็นธรรมชาติเลย แต่ว่ากรณีที่อาจารย์ทำที่บบนี้หเห็นแล้วก็รู้สึกรู้นะอาจารย์ทำเรื่เอเราพยายามอยมอมอมู่ก็เลยก็ให้มีแนะนำที่ผมที่เห็นความคิดเนี่ยก็มีอะไรที่แนะนําที่ถูกต้องเนี่ยก็รู้จักไหมว่าความคิดมีสองอย่างคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจคิด ก, กับความคิดที่เราตั้งใจคิดง่ายๆคือความคิดที่เรา ไม่ได้ตั้งใจคิดก่อนความคิดมีสองอย่างตั้งใจคิดกับไม่ตั้งใจคิดนี่เอาที่ไม่ได้ตั้งใจคิดก่อนเพราะมันเยอะเหลือเกินตอนที่เราจะนอนเนี่ยเราเตรียมตัวจะนอนเนี่ยเราตั้งใจจะนอนใช่ไหมแต่ไอความคิดเราไม่ได้ตั้งใจจะคิดแต่มันก็ต้องคิดขึ้นมาแล้วเยอะมากนะก่อนจะนอนในความคิดเยอะมากนะซึ่งเราไม่ตั้งใจมันก็คิดเยอะพยายามห้ามมันก็ยิ่งคิด อันนี้คป็ความพิดที่เราไม่ตั้งใจคิดมันเป็นความคิดที่มันปรุงแต่งมากเลิกยากจบยากแล้วยี่บังคับมันยิ่งมากขึ้น mm hmm. อันนี้คือคที่ที่เราตั้งใจคิดบ้างความพิดที่เราจะตั้งใจคิดบ้างที่เวลาเราทุกคน ร, ร, รู้จักวิธีการสวดมนต์ไหมสวดมนต์ลึกท่องอะไรเป็นบทกลอนอยู่ในใจบทกลอนก็เลยสวดมนต์ก็ได้นนตั้งใจขึ้นมา ยุทธาการมีมีบทสวดมนต์ระลับตัวเราเองไหม้าเคยตั้งใจร้องเพลงไหม <S <S อันนั้นคือการที่เราตั้งใจคิดร้องเพลงคือความคิดเราตั้งใจจะร้องเพลงแล้วก็ร้องเพลงมันก็จบเป็นเพลงเพลงเราตั้งใจจะร้องเพลงที่สองมันก็ร้องด้วไปดิอันนี้มันเป็นความคิดที่เราทำขึ้นมาอันนี้น่าเชื่อถือกว่าอย่งเช่นเราคิดวางแผน คิดวางแผนวางแผนจะทําอะไรทําอะไรดีคิดว่าจะจะตอบคําถามถ้าคําถามหนึ่งเนี่ยอันนี้คือทําด้วยสติปัญญาด้วยตัวของเราเองตัวด้วยความคิดที่เราจะนอนกำลังกําลังทํางานแล้วไม่มีมันเกิดความคิดพอใจไม่พอใจขึ้นมาอันเนี้ยมันเิ็นิ่ที่ไม่น่าเชื่อถือเ <c oughs> ชิญระวางแผนเสร็จปับ๊บกําลังวางแผนมันมันจะมีความคิดว่าเราคงทําไม่ได้หรอก เราทำไปก็ไร้สาร ะ, ะไอต้ตรงนี้ความคิดเราไม่ตั้งใจคิดมันก็ลืมเป้าหมายที่จะต้องทำตามแผนเพราะเราไปเชื่อความคิดที่เราไม่ตั้งใจคิดมากแล้วคนทั่วไปก็เชื่อตัวเนี้ยที่เราไม่ตั้งใจคิดเนี่ยแล้วมันก็เลยเกิดปัญหาในที่เรากำลังขับรถอยู่เนี่ยใจอยู่กับรถอยู่ ก, กับการสนทางที่ไป โอ้มันเป็นความคิดที่เราไม่ตั้งใจคิดเต็มไปเลยนะโอ้โหมันมาสิมันเนื้อหาอะไรต่างในความคิดเยอะในช่วงนั้นเพราะเราไม่ได้ตั้งใจขับรถแต่แล้วมันเลยเผลอหลงทางบ้างเลยที่มหนังการที่เราตั้งใจทําอะไรสักอย่างนะ่ะคือทํำด้วยตัวของเราเองอันเนี้มันจะไม่ค่อยผิดพลาดการปฏิบัติคือการให้มีสติรู้ทันในความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดนี่แหละให้รู้ทันนะรู้ทันแล้วปล่อยมันผ่านไป มันจะชัดเจนในการทําหน้าที่ของเราจะเล ย, <ม>ยอย่างเช่นยุติกะเนี่ย<ม>กาลังฝึกฝึกจริยในรูปแบบจะเราพลิกมือแล้วก็รู้สึกเ<ม>นี่ยฝึกคือฝึกสติฝึกจิตใจเราเนี่ยให้มันอยู่กับตัวเราก่อน<ม>ให้มันอยู่กับตัวเราให้ตั้งมั่นก่อนแม้กระนั้นมันก็ยังมีความคิดพลาเราเผลอไปแล้วก็เผลอไปหลงไปคิดบางทีเราไม่รู้ตัวในการพลิกมือก็ได้นะ อันนั้นคือความคิดที่เราไม่ตั้งใจคิดมันหลอกเราไ ป, ไปเราไม่ได้ห้าม <S <S แล้วไม่ได้ห้ามให้มันเกิดขึ้นเอย่าไปห้ามห้าเราเครียดมากแล้วก็ปล่อยมันไปแล้วก็ฝึกเล่าใหม่กลับมารู้สึกใหม่ให้จิตมันเข้มแข็งให้มีกำลังที่จะสามารถดึงดึงตัวมันเองกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวให้ได้ถึงเวลาเราจะคิดเนี่ยจะคิดแบบมีพลังมีพลังสติปัญญาในการคิดในสิ่งนี้ให้เรียบร้อย แบบฝึกทั้งหลายที่เราฝึกในรูปแบบเนี่ยในการฝึกให้จิตเรามีมีความเข้มแข็งให้มีกําลังตอนนี้เรายังไม่เอาความคิดเอาสติตรงนี้ไปใช้อะไรฝึกตัวก่อนฝึกตัวก่อนเหมือนนักนักกีฬาก่อนจะแข่งก็ต้องซ้อมซ้อมซ้อมเห็นไหมเวลาเขาแข่งฟุตบอลเนี่ยเวลาเขาซ้อมฟุตบอลนะเขาวางฟุตบอลเรียงเลียงเลีย ง, ยงหน้าประตูนคนเตะก็ยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเพื่อให้ตรงช่องยิงเพื่อให้ได้น้ําหนัก ให้ได้จังหวะในการยิงแต่เขาไม่มีผลอะไรตรง น, นั้นเพื่อการฝึกเพียงเดียวฝึกเพียงเดียวเวลาเข้าไปแข่งขันเนี่ยมันจะเป็นจังหวะที่เราฝึกมาไว้เราสร้างเหตุเอาไว้ทตรงนี้นั่นฟุตบอลมันเป็นการแบ่งแยกกีฬามันแบ่งแยกว่า น, นี้ตอนฝึกนะตอนแข่งนะแต่การปฏิบัติที่มันไม่มีการแบ่งแยกเช่นเราฝึกเนาะนั่งพลิกมือเล่นเนี่ยมีสติอยู่ใช่ไห ม, มนี่ว่า ทำอยู่สักพักหนึ่งเนี่ยมันก็มันมีความจำเป็นที่ต้องไปเข้าห้องน้ำถ้าเราทำอย่างนี้แล้วเราจะอยากจะเข้าห้องน้ําเราทำอย่างไรก็เลิกเลิกวิ่งเข้าห้องน้ําไปเลยนะช่วงนั้นว่าเขานําจะกลับมาฝึกต่ออีกช่วงนี้มีสติต้องกลับมาฝึกต่อมีสติตอนที่จะเข้าห้องน้ำเนี่ยเราไม่มีสติเลย พอทำวันี้เสร็จเจ้าห้องน้ําอ่อนี่เราปวดห้องน้ําฮะรู้ตัวแล้วว่าเรามีอาการปวดแล้วก็หยุดตรงนี้ลุกขึ้นเดินด้วยความรู้สึกนะเนี่ยรู้ความรู้สึกในการเดินไปในเข้าห้องน้างําณปัจจุบันนั้นท่างมันก็มีสติลุกขึ้นเดินไปเข้าห้องน้ายัางมีสติกลับมาก็มีสติมันจะไม่มีช่องว่างเลยมันอาจจะอาจจะหลงลืมไปบ้างแล้วก็ตั้งสติรู้ใหม่รู้ใหม่ หรือเราจะต้องไปอี่อื่นไปเปิดประตูไปทําอย่างอื่นหรือปิดหน้าต่างเวลาฝนตกแล้วก็รู้สึกมีสิตรงนั้นน่่ะเียความผิดพลาดจะไม่เกิดขึ้นเขารู้สึกว่าเอความคิดหยุดง่ายกว่าิที่ปฏิบัติตามโดยเจริญสตินะคะหยุดโดยวิธีคิดเลยคิดคิิดหยุดคิดเลยยุดดคิเลยเขารู้สึกว่าเขาเขาบอกว่าก็หยุดคิดง่ายกว่าถ้าเห็นแล้วก็เอจิตปลุนเด้งหุดจิตปล่นเต้ง เห็นความคิดแล้วก็อันนี้จิตต้องแบ่จิตต้องแ่อันนี้เป่งเรียกว่าลาเวดิ้งาเดิ้งเต็มเต็มติดเลยติดติเข้าไปเลยเข้าไปเลยก็เลยดูว่าเห็นติดแต่แล้วก็หยุดง่ายเท่าทหร่ทปฏิบัติอย่างนี้พ่อแดงเห็นหยุดในวิธีอะไรหยุดในวิธีอะไรอันนี้วิธีวิธีอีกแบบนึงีวิธีสองแบบส่งคำรั้นคนั้นแบบหนึ่งอันนี้ก็เป็นมหาศาลหรือเปล่าสมรกถ้าสมคถ้าเาจะสมัคเห็นแล้วก็ เห็นความคิดแล้วก็จะว่าหยุดหยุดหยุดอันนี้เขาเคยมาหนาแล้วเคนเลยอันนี้ตรงตรงที่เห็นความคิดเนี่ยกยดยอะมากแต่ว่าเห็นแบบเหมือนอาจารย์ก็แข่งแขงก็รู้สึกหยุดยากอ๋อเพราะว่าเราเห็นไม่ถูกต้องวิธีที่ดูอากาศเห็นนี่ยเราจะเห็นความคิดตั๊กดด้วยพลังสมาธิกดคมแล้วมันก็ไม่หมดนะมันก็ขึ้นไม่อีกแล้วแล้วความคิดบางอย่างกดไม่ลง แต่วิธีเนี่ยไม่ต้องไปทำอะไรความคิดเลยเห็น <He ard, S 2> ก็รู้เห็นแล้วก็รู้แล้วก็ปล่อยมันผ่านไปโดยที่ไม่เข้าไปอยู่ในความคิดแต่ว่ามันจะได้แบบแบบแบบกดข่มนะมันจะเครียด ม, มันจะเครียดมันจะกดข่มมันจะไม่สบายไม่ธรรมชาติธรรมชาติที่พยายามกดคน น, น, ค น, น, นู้นกดคนนี้ไม่ธรรมชาติแต่เราเห็นแล้วเราก็ไม่เครเราเห็นแล้วเราก็อย่างนี้เราปลอดภยัยกว่า อย่างเงี้ยเา่นั้งไปเรื่อยแถวอันนี้นะเพราะเป็นสติอันนี้เป็นความคิดอันนั้น <c oughs> คิดไม่ดีอย่าพูดน ะ, ะห้ามพูดกด <c oughs> อย่าพูดนะอันนั้น <c oughs> อันนั้นออกไปข้างนอกเลยกับการที่ว่าคิดไม่ดมีไม่เป็นไร <c oughs> แล้วก็ไม่เปนสนใจก็ปล่อยเข้าเราไม่ไปต่อต้านเลยใคร <c oughs> ก็อยู่ด้วยกันได้ถ้าไปกดข่มความคิดแม้ความคิดเกิดวันนีย <c oughs> เราจะอยู่แบบไม่เป็นสุข การเจริญสติเนี่ยเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งว่าอ้ความคิดนี่มันมันเกิดขึ้นแล้วมันก็หายไปได้เราจะบังคับให้มันไม่ให้เกิดก็ไม่ได้หรือเกิดแล้วจะมาเข้าไปบันหายมันก็ไม่ได้เราไม่สามารถจะบังคับบัญชามันมันได้แต่เราสามารถคิดในสิ่งที่ดีๆเอามาใช้ประโยชน์มันเป็นวิธีการที่เบากว่ากัน ไม่ต้องออกกำลังเลยเลยเบาแค่รับรู้นันก็ปล่อยผ่านไปเราจะไปกดความคิดอย่างนี้กดจนตายมันก็ไม่ชนะแต่ถ้าเรารู้ทันในความคิดนะอย่าเข้าไปอยู่ในความคิดเนี่ยวันนี้เราก็สบายต่อไปข้างหน้าแม้จะมีความคิดเราก็สบายเพราะเรารู้ความกลิ่นของเขาแล้วเนี่ยผมไม่เคยมาที่โอกินาว่า <Okay. S 1> หน้านี้มันหน้านี้ไม่รู้ว่าจะเย็นหรือมันจะร้อนไม่รู้ เราเลยไม่ได้เตรียมตัวพอได้มาค้าวหน้านี่ไม่กลัวแล้วเรารู้ทันเลยทุกอย่างไม่มีการทำลายแต่ให้รู้ความจริงรับมันหมอที่รักษาคนไข้ถ้ารู้ความจริงของคนไข้ไบ่อยๆเขาเนี่คนไข้เป็นโรคนี้มาเราควรรักษาอย่างไรตอนแรกก็อาจจะลำบากหน่อยอต่อไปอ๋อโรคแบบนี้นะต้องใช้ยาแบบนี้แบบนี้มันจะสบายขึ้น หมอจะได้ความรู้จากคนไข้ก็ชำนาญในการรักษา